2,81 มหานิทานสูตรคือยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ก็จะมาถึงจุดสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ลงแล้วก็ขอสรุปนำเอาแกนสำคัญของมหานิทานสูตรมาให้ได้ตรวจสอบ ส่งท้ายกันว่ามีอะไรบ้างเมื่ออ่านแกนสำคัญนี้แล้วก็ย้อนไปอ่านตั้งแต่บทแรกของหนังสือนี้กันใหม่ดูอีกสักรอบสองรอบแล้วจะได้รู้อย่างชัดจริงว่าความจริงของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงที่ยิ่งใหญ่อย่างไรพระองค์ได้ตรัสมหานิทานไว้จริงเ ท, ท็จแค่ไหน จากมหานิทานสูตรมีแกนสำคัญลำดับมาอย่างนี้หนึ่งปฏิจจสมุบาททั้งหลายนี้เองที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องสาธยายถึงเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยของความเป็นเรื่องราวอันเป็นนิยายของมนุษย์ลึกเข้าไปถึงจิตใจหรือวิญญาณ ที่เป็นนามธรรมของสัตวโลกตัวสำคัญได้แก่ความเป็นมนุษย์ซึ่งมีวิญญาณหรือจิตมนุษย์นี่เองที่เป็นได้สารพัดนั่นคือสองมีเหตุหลักสำคัญได้แก่ชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชารามรณะโศกะปริเทวะ ทุกขะโทมนัฏอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการชนิด 3. จิตหรือวิญญาณของคนเป็นเป็นในชีวิตปัจจุบันนี้เองที่เกิดความเป็นเทพคนทันยักษ์พูดมนุษย์สัตว์สีเท้าปักษี สัตว์เลื้อยคลานอันเป็นสัตว์โอปปาติกาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนำมาเปิดเผยให้โลกรู้ความจริงนี้ซึ่งต้องศึกษาให้สัมมาทิฏฐิสีเหตุนิทานสมุทยัยปจจัยแห่งชารามรณะก็คือชาติและชาตินี่แหละที่เกิดเป็นสัตว์ โอปปาติกะต่างๆ 5. ้พบ3อุปาทานสตันหาหสัมผัสหต้องมีปรากฏและดับให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในขณะที่เรียนรู้อย่างครบครันต้องศึกษาหาเหตุเหล่านี้แล้วดับเหตุเหล่านี้ด้วยปัญญาอันยิ่ง เหตุนิทานสมุทัยปาจจัยนั่นเองเพราะอาศัยเวทนาจึงเกิดตัณหาและเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดปริเยสนาลาภวินิชโยชันทราโคอัจโชสารปริขโหมาชริยะอารัคโโห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 การพูดคำส่อเสียดและการพูดเท็จย่อมเกิดขึ้นนี้คือเหตุนิทานสมุทัยปาจจัยแห่งการเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกเหล่านี้ถ้าการป้องกันอารักขะมิได้มีแก่ใครๆ ใ, ในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งโหน เมื่อไม่มีการป้องกันโดยประการทั้งปวงเหตุนิทานสมุทยัยปัจจัยทั้งหลายที่เลวร้ายก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยจากพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อเเพราะความเกิดชาติคือชาติสัญชาติโอกันตินิพพติอภพินิพพติ ผู้บรรลุอรหัตตาความไม่ลึกลับในอัตตาได้ศึกษาและปฏิบตัติจนบรรลุความเกิดทั้งห้านานสมบูรณ์ถึงอาพินิพัติสำเร็จแล้วจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเกิดใดๆแล้วสามารถอาศัยความเกิดนั้น ที่เป็นความเกิดขั้นอภินิพติอยู่ทำภาวะที่เป็นคุณผลน่ายินดีเท่ากับอัาธาไม่ทำภาวะที่เป็นโทษผลร้ายเท่ากับอาทินวะอยู่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่โลกพระหูชนะอิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ ธรรมสองที่ผู้ศึกษาปฏิบัติจนสามารถทาธรรมสองให้กลายเป็นธรรมะหนึ่งได้โดยเรียนจากเวทนาสองที่เกิดจากผัสสะไปทีลขนาดจํากัดปริตตังซึ่งแต่ละคนก็ให้เหมาะสมกับฐานะแห่งตนไปทีละขั้นจึงจะปฏิบัติจนทั่วในขนาดไม่จำกัด อนันต่างได้หมดซึ่งจะสามารถทำการดับผัสเสียได้เวทนาก็กลายเป็นธรรมะหนึ่งในเวทนาสองทวเยนะเวทนายะเอกสโมสรรนาพวันติแปดเพราะเรียนความเป็นกายที่มีรูปกายและความเป็นนามกาย ด้วยอาการลิงคะนิมิตรอุเทศจากเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งเวทนาหกก็คือผัดสะหกนั่นเองจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาสีอัตตาสีนี้แหละที่ต้องเรียนแต่ละขั้นแต่ละขั้นไปตามฐานานุฐานะ 1. ที่มีรูปรูปีขนาดจำกัดปริตัง 2. ออัตราที่มีรูปรูปีขนาดไม่จำกัดอาันตังสอัตราที่ไม่มีรูปอรูปีขนาดจำกัดสอัตราที่ไม่มีรูปอะลูปีขนาดไม่จำกัดอาณันตัง และสามารถทําให้จบสมบูรณ์ในความเป็นอัตตาได้จนที่สุดถึงขั้นอรหัตตาไม่ลึกลับในความเป็นอัตตา 9. ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ผัสษายตนหกว่าต้องศึกษาอย่างมีสัมผัสหกจึงจะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นรูปกาย และความเป็นนามกายได้ครบบริบูรณ์จากการมีสัมผัสเรียนไปตลอด 10. จนกระทั่งสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตตาต่างๆและสามารถทำความเป็นตัวตนอัตตาของทุกนั้นๆที่ไม่เที่ยงอนิจจงให้ไม่มีตัวตนอ น, นัตตา สำเร็จเด็ดขาดได้อย่างเที่ยงยั่งยืนตลอดการไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรหักล้างได้ไม่กลับกรรมเริยบสำเร็จสมบูรณ์จึงอยู่กับความเป็นอัตตาอย่างไม่ลืกรับอย่างรู้จักรู้แจ้งรู้จริงชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น ทั้งความเป็นอัตตาและความไม่เป็นอัตตาอย่างเป็นกลางโดยไม่เอียงต่งไปข้างใดไม่ว่าความเป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาด้วยสติที่เป็นอธิปไตยและมีปัญญาเป็นอุตระยึงเป็นอำนาจอธิปไตยและมีความอยู่เหนืออุตระภาวะนั้นๆได้ ด้วยการใช้สัพพุริสธรรมเจ็ดกับมหาประเทศสีอยู่กับโลกกับสังคมอย่างมีคุณค่าประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติและโลก 11. การบรรลุด้วยปัญญาอันยิ่งสั ม, มัปปัญญานั้นที่สุดเป็นผู้ทั้งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นอัตตา และทั้งทำความเป็นอัตตาได้สำเร็จทุ่นรอบในความเป็นอัตตาแล้วด้วยการเรียนรู้ปฏิบัติในขณะที่มีวิญญาณถิติเจ็ดและอายตนะสองจนกระทั่งสามารถทำความเป็นกายในความเป็นสัตว์โอปปาติกะต่างๆ คือสัตว์ในสัตตาวาดเก้านั่นเองให้ดับไปจากกิจเราได้สำเร็จเด็ดขาดแล้วจึงอยู่กับกายของตนแต่ไม่มีกายของสัตตาวาดเก้าในตนสมบูรณ์ชนิดที่อนุโลมปฏิโลมด้วยการใช้สัพพุริสธรรมเจ็ดกับมหาประเทศสีไปกับโลก ชนิดที่ตัวเองอัตตาไม่มีตัวตนอนาตาและเราก็มีวิญญาณถีติคือมีธาตุรู้ยังอยู่กับชีวิตที่ยังไม่ตายกายแตกไปจึงอยู่อย่างผู้รู้ความเกิดและความดับรู้คุณและโทษรู้อุบายเครื่องออกไปจากวิญญาณถีตินั้น และอยู่กับวิญญาณถี่สิคือมีท่ารู้ยังอยู่กับชีวิตที่ยังไม่ตายกายแตกไปอย่างไม่เพลิดเพลินไปกับวิญญาณที่ตนอยู่นั้นแล้วจึงเป็นผู้รู้ชัดความเกิดและความดับทั้งคุณและโทษและอุบายเครื่องออกไปจากวิญญาณถี่สิเจ็ และอายตนะสองเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้วย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้เพราะไม่ยึดมัน่นนี่คือผู้บรรลุขั้นปัญญาวิมุตตและยิ่งเป็นผู้สัมผัสวิโมก8ดด้วยกายอีกได้สมบูรณ์เพราะได้ปฏิบัติจนอนุโลมบ้างปฏิโลมบ้างทวนไปทวนมากระทั่งสามารถ สะอาดสมบูรณ์ด้วยอรูปชานสีและได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในชานสีโดยจะได้ชานหนึ่งชานใดก็ได้อย่างง่ายแล้วตามคราวที่ต้องการตามสิ่งที่ปรารถนาและตามกําหนดที่ต้องประสงค์จึงบรรลุเจโตวิมุต ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะสิ้นไปเพราะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเป็นผู้สำบูรณ์ด้วยอุพโตภาควิมุตต์พระสัมมาสามพุทธเจ้าทรงไขความเป็นมนุษย์ไว้ถึงปัญชนี้ ถึงบรรทัดนี้แล้วก็แจ้งชัดที่สุดแล้วว่าอัจาหิอัตโนนาโถนั้นแน่แท้ว่าตนของตนเป็นที่พึ่งของตนและกรรมทั้งหกรรมมัสสะโกมหิกรรมมทายาโทกรรมมโยนิกรรมะพันธุกรรมปฏิสรโนนั้นก็จริงแสนจริง นั่นก็คือผู้บรรลุการปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์ได้เพราะการแก้กรรมของตนเองในกรรมปัจจุบันที่เป็นอาการกิริยาของตนปกติชีวิตได้แก่สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะ สัมมาอาชีวะของตนเองตามทฤษฎีของพระศาสดาเมื่อสาเร็จเป็นอรหันได้สมบูรณ์แล้วเราก็เป็นผู้เขียนบทเองกำหนดชีวิตเรื่องราวของตนเองอย่างอิสระผลความเป็นทาสของผู้มีอำนาจลึกลับใดๆไ ด, ได้จริงที่สุด ไม่เป็นภัยเป็นโทษแล้วในโลกอย่างจริงแท้ย่างยืนถาวรตลอดไปที่เป็นคนเล็กคนน้อยแต่ใหญ่ยิ่งด้วยคุณค่าประโยชน์ในโลกชะนี้คือผู้บรรลุอิสระเส ร, รีภาพอินดิเพนเดนต์พราดอลภาพสันติภาพสมัชภาพบูรณาภาพ ที่สมบูรณ์แอฟซลูดอย่างอันติมาอัลติเมตนิยายแห่งชีวิตเป็นยอดนิยายของโลกของคนสิ้นบุญสิ้นบาปบุญยะปาปะปริขีโนไม่มีบุญมีบาปอีกแล้วมีแต่กุศลถ่ายเดียวในนิยายแห่งชีวิตตนผู้ชื่อว่าบรรลุตามโอวาดปาติโมก สัพผาปาปัดสะอาการนางกุสลัดสูปะสัมปธาสจิตาปรโยธปนางสัมบูรณแท้จริงสมณะโพธิรักสิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด